การไปศึกษาหรืออบรมกับครูบาอาจารย์นี่เราก็เคยเห็นมาแล้วมันก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรย่งไปศึกษาอบรมกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนั้นนั่นก็มากต่อมากเราที่คอยดูแลอยู่ฉากหลังก็หนักจนอกจะแตก มันคอยแต่จะแหวกแนวกันอยู่เลยตั้งๆตงะแรอยู่กับท่านและถึงกับได้พู ด, ดว่านี่เวลามาอยู่กับท่านเวลานี้กำลังซ่อนเล็บนะวะ่ะออกจากนี้ไปแล้วจะกลางเล็บให้เต็มภูมิเต็มเพลงนั่นแหลววะว่ะเนาะมันก็เป็นจริงๆ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 ไปก็สับแตว่ไปดีไม่ดีไปเอาชื่อเอานามไปงนั้นเอากรูบาอาจารย์ไปขายกิ่อย่างว่าลูกศิษย์หลวงปูมงป่มั่นหลวงปู่มั่นนี่ก็เห็นดังกันอยู่นี่นแล้วการปฏิบัติก็ไม่เห็นเป็นท่าอะไรมีแต่คุยมีแต่โม้เห็นอยู่ตามตาอยู่นั้นเราเห็นอยู่นี่แหละไม่ใช่ไม่เห็นไห น, นไหนก็โห อ, อยาอ่าอุวนเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มัน่นแล้วเป็นลูกศิษย์ชั้นเยี่ยมชั้นในซะด้วยนะ คุยโม้นนะเวลาปฏิบัติเหมือนขี้เขานั่นมันไม่สนใจการปฏิบัติมีแต่โม้มอย่างนี้เห็นแล้วนี่นะ่ะชอบโม้ชอบคุยอยากให้เขานับถือลือนาตัวนี้เก่งกล้าสามารถได้อบรมศึกษามาจากกูวาจาจยนองปรากฏชื่อยือนม ไ่ทราบบอกคุยว่าโม่ไปถึงไหนห้าทะบีดคุยได้โม่ได้แต่การปฏิบัติเหมือนคนจะตายนั่นนี่สิมันน่าทุเล็นะครูบาอาจารย์ท่านบารำเนินยังไงปฏิบัติยังไงแต่ตั้งใจไปศึกษาแล้วมันก็เห็นก็รู้อยู่นี่ไม่ใช่ไม่เห็นแล้วมากต่อมาก ที่ไปศึกษาวรวมกับพระมม่ปูจัมันมีสักกี่รูปหรออย่างเข้ามาอุรมนะนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะมันเคยเห็นมาแล้วจะผิดไปไหนนะ่ะเพราะการทางด้านจิตภาวนาถือเป็นขอ ง, อ ย, างยากจงแล้วก็ทะเลทลาย หาเก่าในที่ไม่คันไป อ, อย่างนั้นมันมกักจะเป็นอย่างนั้นนะการภาว น, นาการฆ่าการสรั้งหารกิเลสเป็นเรื่องที่ยากยากมากเด้เคยปฏิบัติมาแล้วเลยเคยต่อสู้มันมาแล้วบางครั้งเหมือนว่าชีวิต จิตใจจะไม่เหลือคลองล่างอยู่เลยเหมือนจะตายไปในเวลานั้นก็เป็นมาแล้วนี่นี่ก็เพราะการต่อสู้กับวิเลสเพราะกิเดสเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นฉลาดแหลมคมมากทีเดียวไม่เช่นนั้นไม่นั้นไม่สามารถที่จะครอบโลกธาตุให้อยู่ในนิอวมือได้ สัตว์โลกในสามแดนโลกธาตุนี้ลายไหนที่พ้นอำนาจของกิเลสอยู่เหนือกิเลสได้ mm hmm. ก็นอกจากพระหันเท่านั้นมันมีจานวนมากขนาดไหนเราดูสิสัตว์ในแดนโลกธาตุนี้ที่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสโดยที่มืรู้สึกตัวเลยว่ากิเลสนั้นบีบบังคับหรือเป็นเจ้าอำนาจปกครองอยู่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 เบียดเบียนหรือบังคับเราพอที่จะมีแก่ใจต่อสู้แก้ไขกับมันนี่ถึงขนาดนั้นเรายังไม่รู้จะวางยังหัวเราะยังขับรำทำเพลงอยู่เหมือนอยู่ในเรือนจำก็ไม่รู้ว่าติดคุกติดตลงังนั่นนี่ที่เวลาจะแก้มันให้เห็นภัยตาม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 เราก็ไม่รู้ว่าเราหวังหลุมหวงแรงเพราะความหลอกลวงของมันนี่ที่นี่เรามาปฏิบัติทั้งๆ ท, ที่มีอัดมีทำ ม, มีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอยู่วักกิเลสกับธรรมกิเลสกับธรรมบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นข่าสืกกันเป็นข่าสืบเราเราก็ยังมองไม่ทันมันจะว่างเ ถ้าพอจะฝึกหัดตัดแปลงตนเพื่อต่อสู้กับมันให้ไชัยชนะไปโดยลําดับลําดาก็ถือเป็นความลําบากลําคาญอันเป็นเพลงของมันกล่อมไปเสียอ๋อทะเลทะลายออกนอกรูกนอกทางตามมันที่ฉุดลากไปอีกแล้วฮิอดูในนง่ใดมุมไหนมันไม่มีนง่ที่เราจะเข้าใจแง่ที่จะเห็นโทษของมัน มีแต่แง่ที่ถูกกล่อมไปเสียทั้งนั้นแล้วจะมีแก่ใจประกอบความภาคเปียนอย่างไรนี่แหละนักปฏิบัติเราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์อยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วก็ความอุตส่าห์พยายามที่จะปฏิบัติด้วยความเห็นโทษตามที่ท่านสอนไม่นั้นมันไม่มีพอที่จะตะเกียกตะกายไปตามอัดตามทำก็ถูกกล่อมไปเสีย ว่ายากว่าลำบากเนีวยก็ทะเลถลายออกนอกลู่นอกทางไปแค่เฉพาะอย่างยิ่งด้านวัตถุนี่แหละออกได้ง่ายที่สุดถ้าะเห็นว่าสะดวกสบายยิ่งก่อสร้างนั่นสร้างนี้โดยแล้วเอาอ่ะติดต่อกับผู้คนยากโยมลบควรนั่นนี่กลายเป็นพระควรบ้านควรเมืองแบบนั่นง่ายเพราะเป็นเรื่องของกิเลสไชเรื่องของธรรม เรื่องของทำรรแล้วต้องฝืนกิเลสอยู่ตลอดเวลาน่นทีนี้มันก็ไม่อยากฝืนสิเพเคก็กล่อมอยู่ให้ฝืนทำแล้วการฝืนทำ ม, มันก็ไม่ฝืนยากเพราะอํานาจแห่งความความเชื่อมั่นในกิเลสหนักเบาขนาดไหนไปเห็นว่าเป็นของดิบของดีไปเสียก็ไม่รู้ว่ากิเลสหลอกลวงให้ ผลทำให้เหยียบย่ำทําลายทำทั้งๆที่เรามาหวังจะคา่ากิเลสส่งเสริมทำมันกลับปงกันข้ามไปเสียอย่างนั้นนี่ดีนาด้วยที่ท่านทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้กล่าวมาจากความมีความเป็นตำหรับตาราก็เคยได้ยินได้ฟังมาบ้างครูบาอาจารย์ก็เคยได้ยินได้ฟังมาพอสมควรแล้วสรุปองแล้วการได้พบได้เห็นการได้ต่อสู้กันกับมันนี้แหละ เป็นสิ่งที่ได้นํามาพูดได้นํามาเล่าให้หมูเพื่อนสั่งเพราะหนักมากจริงๆรการต่อสู้กับกิเลสนี้นี่หนักมากตั้งแต่ขั้นรมนุกคุกครานมีตั้งแต่ต่อสู้กิเลสให้มันเหยียบย่ำำําทําลายในความทุกข์ความลำบากกับโยน์ให้ทําเสียหมดไม่ได้โยนให้กิเลสเพามันฝ่ามันฝืนมันมีกําลังมาก มันเหยียบย่าทําลายมันขัดมันฝังเรามาให้ก้าวดําเนินตามทําได้อย่างนี้เราก็ไม่มีเวลาที่จะคิดได้เลยโยนโทษโยนรกรรมทั้งหลายไปให้ทำเสียซึ่งทำนั้นไม่มีโทษมีกรรมแต่ผู้แก่ผู้ใดไม่เหมือนกับกิเลสซึ่งตัวเป็นโทษเป็นกรรมแก่สารโลกนี้เลยก็ยังจํายอมมันให้เป็นไปอย่างนั้นพวกเราโง่ไหมพินาสิใช่ ค ำ, คำพูดนี้จะจริงหรือไม่จริงให้ท่านทั้งหลายได้จำมาไว้แล้วไปประพฤติปฏิบัติตนต่อสู้กับวิเลสดังที่กล่าวมานี้ลองดูเ<ไ>มื Me ่อทำได้สว่างก็จางแจ้งขึ้นมาโดยลำดับํำดานแล้วจะพอมองเห็นโทษเห็นภัยของกิเลสที่แสดงอยู่ตลอดเวลาบนหัวใจของเราแล้วก็จะต่อสู้กันนี่เคยต่อสู้มาแล้ว จึงกล้าพูดให้หมู่เพื่อนฟังว่าแหลมคมไม่มีอะไรเกินยิ่งใหญการพูดปฏิบัติหรือการแก้ไขการถอดถอนยากไม่มีอะไรเกินยิ่งใหญนี้จะเรื่องฝื้นทำฝื้นทำฝื้นทำทั้งนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่ากิเลสฝื้นทำเราก็ไปเข้าข้างกิเลสเสียกลายเป็นเรื่องของเราฝื้นทำเหยียบย่ํายยยย่เหีบาทําลายทำ ไปกับกิเลสเป็นพวกเป็นเพื่อนอันเดียวกันกับกิบเลสหรือเป็นสมุนของกิเลสไปเสียโดยที่เราก็ไม่มีเจตนาไม่รู้แต่มันก็เป็นไปหลักตามหลักธรรมชาติของอํานาจแห่งกิเลสมันครอบงํามันฉุดลากไปให้เป็นอย่างนั้นนี่จึงทําให้ท้อใจเหมือนกันบางการบางเวลาท้อใจนะเดีย๋ยวกะหมูกับเพื่อนปื๊ดปืดปฏิบัติแต่เละทะไหลออกนอกลูนอ ก, นอกทางไปเพราะอะไร เฉพาะสิ่งที่ฉุดลาบฉุดลาบอยู่ตลอดเวลาทุกอาการของจิตที่แสดงออกมาออกมาจากความผลักดันของกิเลสออกมาจากพลังของกิเลสให้แสดงออกมาเป็นกิริยาแต่ละอาการอาการซึ่งว้นแล้วแต่เป็นฆาสืบแย่งทาเหยียบย่าทาลายทำทัท้งนั้นเราก็ไม่มีทางทราบได้เพราะยังไม่ใช่ฐานะของจิต ที่มืดมัวอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสครอบยำง ำ, งำจะทราบเรื่องของมันได้นี่สิมีเวลามันมืดมันมือดอย่างนั้นเนี่ยมีแต่กิเลสออกทํางานทุกอาการแม้ในทางจงกรมในสถานที่นั่งภาวนาขณะนั่งภาวนาขณะเดินอย่างกรมมันก็ก็ไม่พ้นที่มันจะไม่เข้าไปทํางานอยู่ในวงแห่งความเปลี่ยนของเรานั้นๆใครก็ใครเถอะ มันเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นการฟังอุบายจากครูจากอาจารย์ก็เพื่อจะส่งเสริมเพิ่มเติมสติปัญญาศรัทธาความเพียรตลอบความอุตสาพยายามให้มีกำลังแก่กล้าสามารถเน้วต่อสู้กับวิเลศให้ได้ชัยชนะไปโดยลำดับลำดับแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้จะว่าไงนี่กล้าพูดถึงขนาดนั้นแหละว่าไม่มีอะไร ะละเอียดแหลมคมและมีอำนาจมากจากความละเอียดแหลมคมของตนมือคือของกิเลสไม่ว่าจิตดวงวิญญาณดวงใดดูต้อำนาจของมันทั้งนั้นเดี๋ยวโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าถูกบีบถูกบังคับถูกให้พาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอย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 เราก็ไม่มีทางทราบได้อยู่อย่างนี้จะว่ายังไงเห็นไหมที่เด็ดนะมันละเอีดยดไหมดูคิดดูตั้งแต่เราปฏิบัติเข้าไปถึงขั้นที่จะประหัดประหารกันให้ขาดสะบันตอกกิจใจอยู่แล้วยังไปหลงเพ่งของมันได้ฟังเลยดังที่เคยกล่าวไว้เสมอว่าอวิชาปาัจญาความโลคความโกรธ ทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นของหยาบ ก, ก็ว่าฆ่าไปฆ่าไ ป, าไปความรักความชังฆ่ากันไปฆ่ากันไปด้วยความแน่ใจว่าเป็นที่เป็นที่เดชบทตัวกษัตริย์ของที่เดชจริงๆมองไม่เห็นเลยยังไปถูกมันกล่อมจนได้ละเอียดหมายงเสิ็จนั่นไม่มีอะไรที่จะนั่นแล้วยังถึงขั้นมันปักขวากปากักหนามอย่างละเอียดแล้วเอาไว้ให้เราเหยียบ จนได้อทางที่ท่านสอนแสดงไว้ว่าอุปกิเดือดชิ้หกจะเป็นอะไรไปถ้ามันแคเรื่องลวดลายของอวิชชาอันเดียวนี้เท่านั้นมันสงาาพพ่าผาเผยมันผ่องใสมันอร่าจก่าหานมันอัศจรรย์หน้าอัศจรรย์ทุกอย่างนี่มีตั้งแต่เครื่องหลอกลวดลายของวิชาทั้งนั้นสติปัญญา ฆ่าขี้เหลกซึ่งเป็นส่วนหยาบบริษัทปริวาณท่องมาดโดยลําดับําดาไม่มีอะไรเหลื อ, อถึงขั้นกระสัมันแล้วยังไปหลงให้มันกล่อมจนได้นั่นนี่มันน่าทุเรศจริงๆนะแล้วสิ่งที่จะทำให้เราพูดได้อย่างชัดเจนกระจับออกมาจากใจนี่ก็กคือวิชาละเอียดขนาดนั้นนะ ม, มันมันน้อยน่ามา่อไรฟังสิทีนี้เราจะมาพูดอะไรถึงเรื่องหยาบๆตรงนี้ซึ่งปัญญาของเราก็ไม่มีพอที่จะรู้เรื่องรู้ราวของมันจะแก่จะไขได้นี่ที่จริงว่ามันมันละเอียดมากมีอำนาจมากจากความละเอียดทั้งคมของตนการปกครองจิตวิญญาณของสัตว์โลกแต่และดวงละดวง ต้องปกครองด้วยความฉลาดแหลมคมจนไม่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าอะไรครอบหวัวใจของเราอยู่บีบบังคับหวัวใจของเราอยู่ให้พาเกิดเจเจ็บตายในพวกน้อยพวกใหญ่ให้รับความทุกข์ความทรมานเพราะมันพาให้ทำด้วยความพอใจอยากทำนั่นดวงใดวิญญาณดวงใดที่จะ โถหน้าออกมาให้เห็นโทษของมันมีสติปัญญาแย็บออกมาพอเห็นโทษของมันมีต่ปิดหูปิดตาเหมือนกับหูหนวกตาบอดปิดทวารทั้งหกใบหมดเลยอืมลากไปไหนก็ไปลากไปที่ไหนก็ไปไปได้ทั้งนั้นขึ้นชัวร์ที่เด็ดที่มันแหลมคมกว่าแล้วลากไปลากไปได้หมดความไม่รู้นั่นเอง ในขั้นยาบยับนี่ก็ความพุ่งซ่านวุ้นวาอยู่เวลานี้มันพุ่งซ่านอะไรเราก็พอใจคิดทั้งๆที่เรามาอยากไม่อยากพุ่งซ่านลำคานไม่อยากเป็นเป็นความทุกข์เพราะความคิดความปรุงของตนแต่เราก็ขยันคิดขยันปรุงอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่มีการยับยัง้งชั่งตัวว่าความคิดปรุงนี้เป็นภัยต่อตัวเองพอที่จะเข้า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 เราก็ยังไม่เห็นโทษยังคิดที่จะเป็นบ้าก็มีจะว่าอะไรคิดมากเป็นไปจนเป็นบ้ามีเยอะยังไม่เห็นโทษว่ิกฤตพาให้เป็นบ้าอกีกนั่นละเอียดใหม่นี่ถ้าพิจารณาถึงเรื่องการต่อสู้กับกิกลต อ, อุบายต่างๆนานาแล้วโอ้หหมดพุงหมดความสามารถ ทุกสิ่งทุกอย่างหมดชีวิตจิตใจที่จะคน้นคว้าหรือขุดค้นขึ้นมาเพื่อมาต่อสู้กับวิเดวิวายสติปัญญามีมากเท่าไหร่ความภาคความเพียรความอดความทนมีเท่าไหร่ทุ่มเข้ามาหมดเพื่อต่อสู้วิเดวเฉพาะอย่างยิ่งสติกับปัญญาเป็นสิ่งสําคัญมากจะปล่อยวางไม่ได้ถ้าไม่อยากให้วิเดวขยี้ขยำจนไม่มีชิ้นเหลือ สติปัญญาเท่านั้นที่จะต่อต้านกันไว้พอให้ใจเลยรับความร่่มเย็นนี่แหละเป็นอย่างนี้ น, ะนี่ไม่ลืมความตะเกียกตะกายความล้มลุกคลุกรานมาตั้งแต่ขั้นต้นอยู่ไหนก็ไม่สบายนั่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายเหมือนกับสุนักที่มีแผลอยู่บนศีรษะของมัน นอนเจาะนอนชัยอยู่ตลอดเวลาหาความสุขความสบายไม่ได้โดดลงน้าก็เป็นทุกข์ก็ไม่สบายขึ้นบนบกก็ไม่สบายรปเจ้าวหลบซ่อนอยู่ที่ไหนที่ไหนในเอียบทของหมาความกระดิกพิษแฝงของหมาหาความสบายไม่ได้เลยเพราะแผลอยู่บนที่สามไปไหนแผลมันเขาไปด้วยนอนก็เจาะข้อชัยอยู่บนหัวมันด้วย เอาอะไรมาเป็นความสุขนี่ก็เหมือนกันคิเลสเป็นนอนเจาะนอนชัยอยู่บนหัวใจเราอยู่ในียาบายุตรใดมีตั้งแต่ความทุกข์ความดือดร้อนนี่เวลาคิเลสมันเรืองอํานาจมันเป็นอย่างนี้อแต่ยังไงก็ตามเขมาไม่พ้นวิสัยของเราที่จะเป็นผู้พยายามหวังพึ่งอัดพึ่งทำเพราะเรื่องของคิเลส ว่าพึ่งมันก็ไม่เห็นมีอะไรพอที่จะพึ่งได้มีแต่เหยียบย่ำทำลายถ้านะหวังพึ่งทำอย่างน้อยก็พอให้ใจได้สบงบรล่มเย็นในทางสมาธิบ้างก็ยังดีนั่นหละพอมีที่ตร่งที่วางบ้างถ้าเป็นเดินทางก็มีต้นล่มไมใ้ใชายาสองฝากทางพอได้อาศัยบ้างไม่ได้ ถูกแดดแผดเผาแค่โดยถ่ายเดียวทิเด็ดมันแผดเผาโดยถ่ายเดียวหาทมเป็นร่มเป็นเงาไม่ได้ก็เกินไปมนุษย์ดาวคู่ปฏิบัติธรรมแท้ๆนี่เวลามันมนุษยกคานมันร้อนมันร้อนอย่างนั้นนะนี่เคยแล้วตาหูจมูกเลี้ยงกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรไม่ได้ คอยแต่จะเกิดกิเลสคอยแต่จะเกิดฟืนเป็นปืนเป็นไฟเผาเจ้าของทั้งนั้นถึงขัน้นกิเลสเรื่องอำนาจเป็นอย่างนั้นมองดูรูปก็เหมือนเทวดาดูฟังเสียงเหมือนเสียงเทวดากลิ่นนัดเครื่องสัมผัสทุกอย่างเหมือนเทวดาไปหมดเหมือนจริงวันนั้นไม่ใช่อริจังทุกของหน้าตาอาจุพะอาจุพังกองเต็มมันอยู่เลยมันเหมือนกับอะไรเป็นคนละโลกทํำให้ก็ะยิมทํำให้ <c oughs> อ้าวอิงกับสิ่งนั่นแ่ะอยู่ตลอดเวลานี่ในเวลาที่อิเด็เอร์เรียงอานาจประตูคือตาหูจมูกลิ้นกายนี่ยเปิดไม่เปิดมันก็แสดงรวดลาอยู่ภายในเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ภายในนั้นพอเปิดออกประตูออกคือตาได้เห็นดูหูได้ฟังเสียงด้วยแล้วก็เหมือนเอาไฟเข้ามาเผามาเผามาเผ า, า, าตัวเอง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 แต่ยังไงก็ตามไม่พ้นทำเพราะทำเครื่องเหนือเป็นเนือกิเลสเสมออุบายของทำเหนือกิเลสถ้านํามาช้าให้เหนือ mm hmm. เหนือเพราะพระพุทธเจ้าปราบกิเลสด้วยธรรมท่านสาวกอราหันทั้งหลายท่านปราบกิเลสด้วยธรรมกิเลสสิ้นซากไปด้วยธรรมทาไมเราจรึงจะสิ้นซากไปเพราะอํานาจของกิเลสโดยไม่คำหนึงเสาะไม่แสวงหาธรรมมาเป็นเครื่อง แต่ปรปามหรือต้านทานกันบ้างเลยนี่ก็เกินไปอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเกิดประโยชน์อะไรควรที่จะเอามืดกับแจ้งที่ตนผ่านมานี้มาทบทวนกันดูว่าผลประโยชน์ได้มากน้อยอย่างไรจากนี้ต่อไปเราจะปฏิบัติอย่างไรเมื่ออดีตเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วประการใดบ้างบวกลบคูณหารกันดูสิเรื่องราวของเราที่ผ่านมาโดยลําดับลำดานนี้ได้ผลได้ประโยชน์อะไรบ้าง แล้วต่อไปนี้เราจะคิดอย่างไรให้สมกับแบบเราหวังอยู่ตัว บ, บเวลาความสุขความเจริญมารผลมิผ่านสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพราะอะไรถ้าหากเรายังยอมจำนวนต่อกิเลสอยู่ตัวแบบเวลานี้ก็ไม่มีหวังถึงจะหวังเท่าไหร่ก็เป็นโมฆะหวังมากน้อยเพียงไรความภาคเปลี่ยนการต่อสู้กับกิเลสต้องให้หนักมากอย่างนั้นจั่จึงจะมีธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องสนอ ง, องความต้องการของเรา นี่พูดถึงเวลาก่เลสเรื่องอำนาจเรื่องอย่างนั้นจริงๆในหัวใจใดกเ็เป็นอย่างนั้นเมื่อยังไม่มีธรรมเป็นเครื่องแก้กันแล้วก็เหมือนกับคนไข้หนักนี่มีแต่ทุกมีแต่ลำบากโรคเหยียบย่ำทำลายลงทุกเวลาหายาหาหมอที่จะมาแก้ไม่มีเลยก็มีแต่ทางจะตายถ้าเดียวทางหายไม่มี นี่ถ้ามีจะปล่อยให้ต่กิเลสมันอยากย่ำทำลายทุกอาการของกิจที่เคลื่อนไหวไปมาอยู่แล้วไม่มีทาเขาไปเลือกแฝงไม่มีทางเขาไปยื้อแย่งแข่งดีกันไม่มีอุบางกุบาอาจารย์พอที่จะนำมาปฏิบัติต่อกิเลสแล้วมันก็มีหวังที่จะตายย่มจมไปได้เช่นเดียวกันในเรื่องผ้าเหลืองในตลาดล้านค่าไม่อดไม่อยาก มันสาคัญอยู่ที่เรานี่แหละเราจริงเราจังแค่ไหนเคยพูดแล้วการเกิดจเจ็บกิดตายในวัฏฏะทุนสารนี้โลกทั้งหลายไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่าใครถ้าจะเลิศก็เลิศกันแล้วเรายังสงสัยอะไรอีกอการเกิดจเจ็บกิดตายก็คือเรื่องของกองทุกข์ทั้งนั้นอความโลภความโกรธความหลงเคยเอาความดิบความดีมาให้ผู้ใด ได้รับความสุขความเจริญเพราะความโลภมากโสดมากหลงมากรักมากชังมากเราเคยได้ดิบดได้ดีจากมันที่ไหนปราดทั้งหลายท่านตำหนิกันทั้งนั้นเพราะพวกนี้เป็นฟืนเป็นไฟเผาหัวใจให้เป็นมหันตตุกขึ้นมาได้ตลอดเวลาที่เรายังไม่เห็นโทษของมันสิ่งที่ปราดท่านชมเชยเราก็ ควรที่จะยึดให้เป็นหลักเป็นเกนฑ์ประพฤติปฏิบัติตนให้ได้เป็นลนำดับลำนาไปอะไรปฏิัตชมอะไระความสุขความสุขเกิดขึ้นจากอะไระเกิดขึ้นจากความภาคเพียรโดยธรรมมีธรรมเป็นเครื่องพาดำเนินนั่นธรรมก็มีอยู่สติธรรมก็มีปัญญาธรรมก็มีถ้าเราคิดให้มี ความอุตสาห์พยายามเราอุตสาห์อย่างอื่นเรายังอุอาตสา ห, าไห์ได้อุตสาห์ตามพิเลตเรายังอุตสาห์ได้เหตุใดจะอุตสาห์แต่ตามอดตามทาไม่ได้เนี่ยมุ่งต้นนี่สิมันลําบากเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องได้หาอุบายวิธีต่างๆงเวลาร่างกายมันมีกําลังมากก็ต้องได้ผ่อนสิ่งที่จะเสริมให้ร่างกายมีกําลังมาก อันเป็นเครื่องมือของกิเลสนี้ให้กิเลสได้ทำงานคล่องตัวมากขึ้นก็ต้องได้ตัดให้ถอนกันลงถ้าแกไปแล้วก็เป็นอีกอย่างนุ่มๆ น, นี่เห็นได้ชัดสำหรับผมเองใครก็เถอะไม่ผิดกันหละกตั้งขารร่างกายนี้ต้องได้พยายามกดมันอยู่ตลอดเวลาร่างกายเมื่อมีกําลังมากกิเลสมากเฉพาะ อ, อย่างยิ่งราคะเร็วที่สุด ทั้งที่เราพยายามไต่อยู่ตลอเวลาข่ามันอยู่ตลอดเวลามันยังโผล่ขึ้นมาต่อหน้าต่อตาได้เวลากําลังมังชาไม่พอมันยังให้ทำให้เกิดให้รู้ในหัวใจเรานั่นแหละรู้มันเกิดได้ง่ายแต่การดับดับได้ยากที่สุดนี่จึงต้องได้ใช้อุบายวิธีต่างๆดัดแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อพูดถึงเรื่องปฏิบัติธเราในรู้สึกว่าปฏิบัติธกดอยากขาดแคลน เพราะอำนาจมัจจนามันหยาบต้องไดเอากันอย่างหนักเนี่ยท้องเสียมาจนตั้งตัวนี้เราก็ทราบมาสาเหตุเป็นมาเพราะอะไรอืทางแพทย์เขาก็บอกแล้วว่าอาหารเมื่อไม่มีในท้องท้องย่อมจะเสียเพราะถูกกดมันตัดบ้างอะไรบ้างลังเคาว่านะเราไม่ใช่หมอก็พอพูดได้เล็กน้อยเท่านั้นเองเนี่ย วันนี้ก็ก็เราก็เป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดนี่เพราะไม่ได้คํานึงถึงว่าพวกฝวดพวกอะไรเราไม่ได้คํานึงมีตั้งแต่เห็นมาเป็นความสะดวกสบายภายในจิตใจที่เหลยกนาคาตัณหาม่คก็กําเนิบรุนแรงมากนักเพราะการอดอย่างนี้และเป็นการช่วยทางด้านจิตสำนนาให้สะดวกขึ้นไปกว่าปกติที่เราฉันอยู่ทุกวันทุกวันเราก็ช่องตะเกียบตะกายเนี่ย ไม่ได้คํานึงว่ามันจะเป็นอะไรในท้องในไส้ของเหล่านี้อดไม่หยุดไม่ถอยอดไปอดมาหลายวันหลายปีหลายเดือนเขามันก็สแสดงออกมาท้องก็เลยเสียอายุยังไม่ถึงสี่สิบท้องเ ร, เริ่มเสียมาตั้งแต่พรรษาศที่สิบนี่ตั้งเลยเพราะเริ่มขุดกันมาตั้งแต่พรรษาศเจ็ดร่วงแล้วนี่ แปดเก้าเป็นอันเรียกว่าขึ้นเวทีแล้วเข้าสู่สงครามต่อสู้กับกิเลสแล้วเลื่อยไปเลยถึงพันสาสาสิบนี้รู้สึกว่ามากขึ้นมากขึ้นแต่เจ้าของก็ยังไม่สนใจกับเรื่องท่านเรื่องขันว่าจะเป็นจะตายอย่างไงบ้างนอกจากจะเอาให้กิเลสอยู่ในเนื้อมือเท่านั้นนี่มันก็ตะเกียบตะกายอยู่ตลอดเวลา ไม่มาคิดถึงเรื่องการกินการอะไรอดอยากขาดกลนไม่คิดนัท้าฐานจะเป็นอย่างนั้นจะแปรปวนอย่างนี้จะเสียไปยนั้นนี้ไม่คิดดังหลังมานี้ก็ค่อยรู้อดไปก็ได้เพียงเพียงแค่เท่าไรอายุนี่สามสิบหกปีพรรษาก็ถึงแค่สิบหกเพียบแล้วนะเป็นมากแล้ว เริ่มไปตั้งแต่พันสาสิบอดไปอดไปกี่วันก็อดมันก็ไม่ทายเพราะไม่มีอะไรจะถ่ายพอเริ่มฉันลงไปวันเดียวเท่านั้นตกตอนบ่ายมาต้องเสียงท้องมันร้องกรกเก็บกรกเก็บก็ข้ลงไปก็ถ่ายถายซะจนหมอวันหลังมาก็อดอีกเสียจนกระทั่งถึงต้องการจะฉันเมื่อไรก็ค่อยฉันก็เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆ เมื่อนานต่อนานเข้าไปนั่นอดกี่วันก็ตามเพียงสี่ห้าวันเท่านั้นนันก็ไม่ย่อยแล้วทายออกหมดออกหมดมก็เลยได้พักมาตั้งแต่พรรษาที่หมล่วงไปแล้วรู้่ะเริ่มหยิดการอดอาหารมาตั้งแต่เดือนตั้งแต่จะเข้าพรรษาของปีพรรษาที่เจ็ดเรื่อยมาจนปันนนี้ก็ไม่ได้อดอีกล แล้ท้องก็เป็นมาเรื่อยตั้งแต่ น, นตู้นจนบัดนี้แหละแต่ด้วยขันยาเขานี้ค่อยดีขึ้นบ้างยาไทยเหล่านี้แต่ก่อนมันเป็นน้ำมากเพียถ่ายก็จนไม่มีอะไรเหลืออะไรเหลือนี่นี่พูดถึงการฝึกการทรมานการกดบีบบังคับท่าทันไว้ไม่ให้มันรุนแรงเพราะมันเป็นเครื่องมือของที่เดลสได้ดีแต่เพราะอย่างยิ่งราคาตานานี่รวดเร็ว การภาวนาก็ฝืดอืดอาดหนยนแต่พออดอาหารลงไปพ่อนาลงไปแล้วสมาธิก็ดีดีขึ้นได้เลยนั่นเพราะฉะนั้นถึงวันที่จะฉันจึงเสียดายไม่อยากฉันถ้าฉันแล้วก็เหมือนกับรถบรรทุกของหนักอืดอาดไม่คล่องตัวแต่ก็จำต้องได้ฉันไม่มั่นมันก็ตายเพราะเราอาศัยธาตุขันจะทำไงใหมันฟาดมันเหย่างมันไปอย่างนี้อันนี้เมื่อถึง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 คล่องตัวเข้าไปนี่จะมันเห็นได้ชัดได้ชัดเพราะงั้นจึงไม่สนใจกับเรื่องการอยู่การกินยิ่งกว่าธรรมนี่ในขั้นนี้เริ่มเห็นโทษของกิเลสไปโดยลําดับลาดาแล้วนั่นในขณะเดียวกันก็เริ่มเห็นคุณค่าของธรรมของความพ้นทุกข์หนักขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่ที่นี่เมื่อธรรมมีอำนาจสูงขึ้นไปโดยลําดับลาดาแล้วกิเลสก็ย่อมอ่อนตัวลงไปก็ยิ่งเห็นได้ชัดฆ่ากันได้ง่าย ตอนต้นลําบากลําบนอย่างนั้นเองแต่ที่ได้จะได้ความดิบความดีหรืการภาวนาได้ตั้งรากตั้งฐานได้ก็เพราะการลมดุข ค, คานการอดอยากขาดแคลนนั่นแหละเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นเราจรึงมาได้วิตกวิจารกับเรื่องธาตเรื่องกันว่าจะเป็นจะตายละอย่างทุกวนันนี้เพราะเป็นเครื่องหนุนปฏิบัทาที่ทํามาแบบสมุกสมบัตนั้นเป็นเครื่องหนุน ความดีของเราให้ก้าวขึ้นไปโดยลาดับลาดาจนกระทั่งเห็นได้ชัดเพราะการทรมานตนแบบนี้นจึงไม่ได้เสียดายอย่างทุกวันก็ไม่เคยคิดเสียดายย้อนหลังว่าเกินไปหรือกำความเพียนเกินไปไม่คิดสาจะคิดมันก็ราวกับจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะถึงขั้นมันถ้าเป็นนั่งมวยก็ถึงขั้นไม่มีไม่ให้มีกรรมการแยกกันหนะมันจะ ทุ่นเวลาตายชาลงไปอย่างนี้ไม่ให้มีเอาใครดีอยู่ใครไม่ดีแล้วให้พังลงไปเลยไม่ต้องมีกรรมการแยกถึงขั้นมันเด็ดเด็ดอย่างนั้นละ่ะเรื่องของสติปัญญาที่ต่อสู้กับพิเดศเด็ดถึงขนาดนั้นเพลินกระทั่งเด็ดจนถึงว่าไม่มีกรรมการเป็นประจําในเวทีนั่นเลยเมื่อปัญญาได้เด็ด แต่กล้าสามารถเข้าไปแล้วไม่มีกลัวอะไรทั้งนั้นอกิเลสนี้ให้โผล่ขึ้นมาการขุดผู้เขี่ยขุดค้นในเวลากิเลสมันหลบซ่อนตัวก็เป็นงานอันหนึ่งขุดผู้เขี่ยขุดค้นอยู่ตลอดเวลาแต่พอได้เจอนี่ก็เหมือนกับว่าได้งานแล้วสุดท้ายก็เรียกว่างานทั้งสองนั่นเองงานขุดค้นหากิเลกก็มีก็ไปเรียกว่างานประเภทหนึ่ง ว่าเจอกิเลสแล้วห้ามหันกันก็เป็นงานประเภทนะี้งานเพราะฉะนั้นจิตจริงไม่ว่างจากงานในวันหนึ่งคืนหนึ่งของจิบขั้นเกลียงไก่สติปัญญาขั้นเกลียงไก่แล้วเป็นอย่างนั้นมีที่นี่มันผิดกันไหมละ่ะกับในขณะที่ร้องรูยกผูครานเหมือนไม่ใช่จิตดวงนี้เลยเหมือนไม่ไม่ใช่สติปัญญาที่เราช้ายอยู่เวลานี้เลยเพราะมันไม่มีแต่ก่อน ต่อมาก็มีได้เมื่อเสาะแสวงเมื่อบำเพ็ญอยู่เสมอก็มีได้อย่างนั้นมาถึงขั้นเห็นโทษเห็นจริงๆไม่จะเห็นธรรมดาเห็นประจักษ์ในหัวใจไม่อยากอยู่ไม่อยากตกค้างในภพใดภูมิใดแม้ที่สุดอย่างท่านแสดงไว้ในสุทาวาสห้าเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีตั้งแต่ ชั้นอวิหาอาัขึ้นไปตรงอัตปาสุรษาสุรศีอรกนิธานี้ผู้ที่ก้าวเข้าโทมมโลกห้าชั้นนี้แล้วไม่กลับแม้จะไม่กลับก็ตามแต่จะตกค้างอยู่ในภูมิใดในชั้นใดของสุทาวา น, นั้นก็ไม่ผึก็ไม่ปรารถนานอกจากจะให้หลุดพ้นเสียอย่างเดียวสดสดร้อนๆ้อนต่อหน้าต่อตาในภพนี้ชาตินี้หรือวันนี้เท่านั้นหนักเมื่อถึง ขั้นของกิตที่เด็ดเห็นโทษของที่เลียดอย่างประจักษ์ใจแล้วย่อมเห็นคุณค่าของธรรมที่จะก้าวให้พ้นไปเสียน้ําอย่างถึงใจเช่นเดียวกันอันนี้ยังทำให้คิดย้อนหลังไปถึงข่าวป่วยอยู่อําเภออะไรระหว่างอําเภอบ้านผือกับอาเภอถ้าบ่อนั่นกันต่อแดนต่อเขตกันมีแม่น้ําทอนเป็นเขตแดน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 ขัดในหัว อ, อกนะเราไปพักอยู่ในป่าเขาก็ไปนิมนต์มาฟุตมาติกุชลามาติกาให้คนตายเพราะแถวนั้นก็ไม่มีพระอีกด้วยก็ลำบากอีกแหละมีอะไรมีแต่กุชลามาติกาให้บุญคนตายไม่หยุดไม่ถอยทัย้งวันทั้งวันทั้งวั น, วนเพราะวันหนึ่งตายสักเท่าไหร่เลยจะไม่หนีจากป่าช้านะถึงขนาดนั้นแหละ บ้านพลทองพังโหมบ้านกระหมพลทองตายกันเป็นานาดนั้นและสุดท้ายก็มาเป็นขึ้นกับเราเองจนได้แน่รู้สึกว่าจะเป็นความแน่ใจนะในเวลานั้นแต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าทมของเรานี้มันก็แข็งกร้าวเหมือนกันนะไม่เล่นนั้น พอมันมาปรากฏขึ้นในหัวอกของเราเท่านั้นโอ้คราวนี้เราละคนหนึ่งนะั่นเริ่มแล้วอ๋อโรคเจ็บขัดหัวอกเป็นอย่างนี้เองนะรู้ทันทีคือมันเหมือนกับแหลมกับเหลาทิ่มแทงเข้าไปในหัวอกในหมักหัวใจนั่นนะ่ะหายใจแรงก็ไม่ได้ขัดเจ็บมันขัดอะไรชอบคนพูดไม่ถูกนะธรรมดามันก็มันเจ็บในหัวอกแน่นในหัวอก ออกจากนั้นพอเราหายใจแ็งแรงหน่อยก็เป็นเหมือนหอกเหมือนเหลาทิ่มเข้าไปในนั้นก็ทราบเปนทีอ๋อโลกอย่างนี้เองที่โรกสุดมะออกเขาเป็นกันเป็นอย่างนี้เองเรารู้โอ้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วไม่นานเพราะมันจะหายใจไม่ได้คับเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าหายใจแรงไม่ได้แล้วสุดท้ายก็เลยไม่ได้ไปมาติกากุศลาให้เขาลเลยก็บอกเขาขอตัวเถอะที่นี่เป็นแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วบอกเขานะ ก็หลบตัวมาอยู่ที่พักก็อยู่ป่าไผ่ก็ไผ่ตีนภูเขานี่หนละเป็นเหตุที่ให้คิดนะที่ไม่ลืมนะในระยะนั้นจิตก็ละเอียดมากทีเดียวเรื่องร่างกายนี่เป็นนั้นว่าปล่อยกันไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่นา ม, มาทำความคิดความปรุงที่ฟัดเบี่ยงมันอยู่ตรงนั้น ก็รู้สึกละเอียดมากผ่องใสามากกล้าหาญมากในขั้นนี้หลังจากาถวายเพลิงของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วน่ะปีนั้นแหละหลบหนีขโมยหนีจากหมู่เพื่อนไปอยู่ในป่าในเขาลำพังตัวคนเดียวเพราะความเพียรในขั้นนั้นในเวลานั้นเป็นความเพียรที่อยู่กับใครไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นเพื่เหมาะกับงานของเราที่ไม่มีเวลาว่าง เบ้นแต่หลับเท่านั้นหมุนกันทิ้วทิวทั้งวันทั้งคืนเรียกว่าเป็นสติปัญญาจินมิตแล้วอันนี้เมื่อโรคเจ็บขัดหัวอกนี้ได้ปรากฏขึ้นก็ชักจะวนเลยเออเรานี่จะไปจะแล้หรือนี่นี่ที่นี่ทำให้คิดนะไปเวลานี้เรายังไม่อยากไปนะเพราะมันยังมีอยู่ในหัวใจนี้ยังรู้อยู่ชัดๆเป่า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 สันติโกบอกชัดๆในภูมิของจิตภูมิของธรรมและสถานที่ที่จิตจะไปไปอยู่อยา่าไปเกิดกับไปเกิดพูดนังมันรู้เลยชัดๆยังไงก็ตามเรื่องค้างนี้ไม่อยากไม่อยากตกอยากค้างในะสถานที่ใดมีั้องมีอย่างเดียวที่ว่าให้ดุดพ้นไปเกียต่อหน้าต่อตาฉะนั้นตายเมื่อไหร่ก็ไม่ว่าแต่เวลานี้ยังไม่อยากตาย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 ยังไม่ถึงจุดที่ต้องการจึงอะไรยังไม่อยากตายอยากจะเร่งให้ถึงนั่นก่อนแล้วไปเมื่อไหร่ไม่ว่าแต่เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็โรคมันก็บีบบังคับตลอดเวลาก็หมุนติ้วกลับย้อนหลังเอาไม่อยากตายก็ต้องได้ตายถ้ามันเมื่อถึงการมันแล้วห้ามไม่ได้สิ่ง่เานี้เป็นกติธรรมดายุ่งไปทาไมนะมันย้อนกลับมาแล้วก็ทำให้คิดเรื่องของเจ้าของ เองว่าเรื่องทุกขเวทนานี้เราเคยผ่านเราเคยรบมาแล้วอได้ความประจันไม่รู้กี่ครั้งกี่ขนในเวลาที่เร า, าเฉพาะอย่างยิ่งเรานั่งหามลุ่งหามคํานี่ทุกขเวทนามากแสนสะอาดเราก็เคยต่อสู้ด้วยความประจันมาแล้วนี่ก็เป็นทุกขเวทนาหน้าเดียวกันอาเดียสัต์อันเดียวกันเราจะถอยไปไม่ได้ จะต้องเอาให้เห็นดำเห็นแดงกันในคืนวันนี้เป็นก็เป็นตายก็ตายให้ตายอยู่ในสนานรบนี้เท่านั้นถอยไม่ได้นั่นต่างเลยบิดมันกล้าถึงข่าวกล้ามันกล้าขนาดนั้นนะเป็นจะตายอยู่ไม่ได้ถอ ย, ยอืมคําว่ากลัวตายก็มีแต่ที่ว่ามันมันไม่ถึงที่เท่านั้นเองไม่ใช่กลัวแบบที่โลกเขากลัวกันนะถ้าว่ากลัวก็มีแต่ไม่ยังไม่อยากตายเขาคือ ย, ยังไม่ถึงที่แล้วยังยังไม่อยากตายอยากให้ถึงที่ก่อนน้ำไปเมื่อไหร่ไปถึงนะ อ่านนั่นมาก็โหมกำลังสติปัญญาหมุนเข้าในจุดกรงการอกนี้เลยอ้าวทีนี้เป็นไงก็ เ, เป็นกันญาตโยมก็ไปเยี่ยมเอ้ยกกันไปทั้งบ้านเลยนะเป็นน้อยร้อยเราก็ไล่เขากลับหมดไม่ให้ใครมายุ่งเลยเพราะวันนี้เราจะขึ้นเบทีต่อกรณกับทุกขเวทนาเอาให้ถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขีมถึงเป็นถึงตายไล่เขาเขาก็กลับไปหมด ยังเหลืออยู่ผู้เท่าคนแอบอยู่ที่ต้นกอไผ่ในป่าไม่จะไม่กลับเพราะกลัวเราจะตายแอบจะ จ, ะจะคงจะเหมือนก็นันจ ะ, จะคอยมาดูหวัวใจเราเวลาจะตายถ้าเพราะทราบอยู่ประจักษ์นี่ว่าคนตายเกลื่อนอยู่ตลอดเวลานในเวลา น, นั้นคนกําลังตายก็กลัวว่าเราจะตายเช่นเดียวกันนั่นแหละที่นี่ฟาดกันไปตั้งแต่หวัวค่ําจนมาทั่งถึงหกทุ่มเวลานั้นเรามีนาฬิกาแล้วเรารู้แล้วจริง เอาตั้งจากหัวค่ํำแต่โยมก็ไปเยี่ยมคว้ารีบไล่เขากลับแล้วเข้าที่เลยอืค้นเร่งทุกขเวทนาที่มันอยู่ในหัวใจนี่เอากันหมุนกันอยู่ในหัวใจนี่เลยแต่ยังไงเกิดขึ้นจากอะไรเสียดแทงเสียดแทงอะไรอืมเวทนาเป็นห อ, อกเป็นเหล่าเมื่อไหรมันก็เป็นทุกขธรรมดาธรรมดาทุกนี้ก็เป็นสภาพอปนอย่างท่านว่าเป็นของจริงทุกขรั้งอริยสัจจ์มา ค้นกันไปค้นกันมาไม่ถอยน่ะเป็นกับตายไม่ได้สนใจสนใจตั้งแต่ให้รู้ความจริงในวันนี้เมื่อเวลาเข้าตะลุมบอลกันดังมันอยู่ไม่ถอยทีนี้ทุกเวทนามันมากเท่าไหร่มันแทงในหกสติปัญญายิ่งหมุนติวติวเช่นเดียวกับเรานั่งหามลูกหามข้านั่นเองล่ะสติปัญญานี่มันเพราะมันเคยอยู่แล้วนี่ปล่อยเข้าเข้าสนามขึ้นเลทีมันก็ขึ้นเลยทันทีแหละไม่ถอยเอากวามยุตรงกระทั่งถึงหกทุ่มกว่า สามหกทุ่มกว่าเวลาดูนาฬิกาแล้วพอเอากันเต็มที่เห็นประจักษ์นะโอ้ถอนนเวลาถอนนี่ถอนอย่างประจักษ์เช่นเดียวกับทุกขเวทนาของเราถอนในเวลาที่เรานั่งหามหนุ่งหามค่ำยิดรอบด้วยปัญญาทุกขเวทนาถอนแบบเดียวกันนี่เวลาถอนนี่แหมมันเหมือนกับเป็นตัวเป็นตนจริง้นะถอนออกจากหัวใจนี่ถอนออกถอนออกกาหนดตามกันตามกัน มันที่ถอนออกจนล่องหมดเลยหายเงียบไม่มีอะไรเหลือกําหนดดูให้มันชัดเจนขนาดนั้นมันไม่มีอะไรเหลือล่องหมดในหัวอกนี่สุดท้ายก็เหมือนกับร่างกายไม่มีว่างไปหมดเลยออาพักอยู่นั้นก่อนพัก ค, คือหมาก็มาพักดูความมหัศจรรย์ของจิตที่นี่เมื่อทุกเวทนาดับไปหมดแล้วมีแต่ความว่างของร่างกายจากนั้นก็เป็นความว่างของจิตกายหายเงียบเอากันเต็มที่เลย จนกระทั่งจิตมันพอตัวแล้วก็ยิบยับยิบยับถอยออกมาถอยออกมาจิตก็ยังว่างร่างกายแม้จะรูมีอยู่ก็ตามแต่ไม่มีเก็ียบมีปวดมีเสียดแทงในหัวอกอย่างที่เคยเป็นมาเลยโล่งไปหมดเอาละทีนี้ไม่ตายนะั่นพอจากนั่นก็นดูนาฬิกาหกตุ่มกว่าให้แน่ใจว่าไม่ตายรู้สึกเป็นความแน่ใจเพราะโล่งหมดและยังไงก็หายโรคนี้หายไม่ยากอะไรเลยแก้กันด้วยอริยสัจ พอหลังจากนั้นแล้วก็ลงเดินยงกลมจุดโคมไฟอะไรตะเกียงนี่แต่เขาเรียกตะเกียงอะไรแก้วครอบเล็กๆ ก, ก, กันนะภาษาต่างๆอีสานเขาเรียกต ะ, ตะเกียงโปะหางเล็กๆอ่ะโปะตะเกียงเลยุดไว้นั้นไว้ข้างนอกมุ้งนู้นตั้งหัวนู้นตจงแต่ต่อสู้ อ, อยู่นู้นนะจุดไว้แล้วก็เข้าที่เลยมองขึ้นไปอยู่นอกมุ้งนู้นไม่เอาเข้ามาในมุง้งจากนั้นก็ลงเดินจองกลมองว่าเดินก็ตัวกลิวไปเลย หาเงบไม่มีอะไรเหลือนั่นฟังที่เพื่อนฝูงฟังเลยนี่แหละเวลาต่อสู้กันเห็นได้ชัดนี่แหลอริยสัจเป็นยังไงอริยสัจทําให้เราเห็นเป็นยังไงบ้างฟังเสร็จทุกข์กษัตริย์นี่เป็นเหมือนหินรับปัญญานะถ้าเราจะถ้าเราพิจารณาแบบพระพุทธเจ้าสอนแบบอริยสัจเป็นของกิ่งของกิ่งเรื่องทุกขเวทนานี้เป็นหินรับปัญญาให้คมกล้าทุกขเวทนากล้าสาหัสเข้ามาแสดงสติปัญญายิ่งหมุนตัวติวต้วติว้วที่ถอยไม่ได้จนกระทั่งถึงจะถอนพรวดออกมาหเห็นประจกักษ์ ทัดเกณฑถึงขนาดที่ว่าอ้าวที่นี้ไม่ตายแลย้วที่นี่วะโล่งไปหมดร่างกายก็โลง่งนอกจากนั้นจิตก็โล่งไปหมดสุดท้ายก็หาเงียบไปหมดอะนั่นนั้นก็ลวงเดินอย่างเดีวและสุดท้ายวันนั้นไม่นอนเลยนะตลอดลุง้งพอสว่างบ้างไม่บ้างนี่โยมมัน ป, ปรับเข้ามาอ้โยมมาทําไมเราอ่ะโอ้ผมนอนอยู่นี่แล้ว่ะ ข้างก็ไปเนี่นอนน้ำไมก็บอกให้ไปตั้งมลางคืนนี่โอ้ยผมไม่ไปลุงตัวท่านจะตายผมคอยแอบนี้ผมก็ไม่นอนกลางคืนวางนั่นนะไฟทั้งท่านสว่างตลอดลุง้งเห็นท่านมาเดินอย่างผมผมก็ดีใจบ้างว่างนันนี่นั่นล่ะพูดถึงเรื่องแบบยิตที่มันอะไรอะไรในความเป็นอยู่ในชีวิตคือยังไม่ยังไม่อยากตายนั้นมันมีส่วนมีสิ่งที่หมายอยู่ความมุ่งมั่นยังไม่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 อาจริงมันมันลำบากสาหรับเราเองการคือปฏิบัติตัวแต่มันได้สิ่งที่อัศจรรย์ในเวลาจนกรอบจนมุมทุกครั้งจะนานตั้งแต่เริ่มนั่งตลอดลุ่มมาจนถึงขั้นที่ว่าเก็บขัดหัว อ, อก น, นี่เอากันจนได้ออกได้เห็นได้อย่างชัดเจนไม่งั้นผมแน่ใจว่าผมต้องตายเช่นเดียวกับชาวบ้านที่เขาตายวันละวันน้น้อยวันละสามวันละมากวันน้แปดคนฟังเถ โรคอั น, นี้เหมือนก็บว่าจะเป็นโรคอัมพาตมีเชื้อมีอะไรอย่างนั้นนะแล้วกตามที่อย่างเป็นในผมนี่มันเป็นมันขัดหัว อ, อกนะขัดอยู่นหัวมันทิ่มแทงเข้าไปเหมือนกับหอกกับเหลาเนี่ยทิ่มเข้าไปทิ่มเข้าไปแล้วนทําให้หัว อ, อกแน่นนะแน่นในโหัอยู่ปกติแน่นในโหั อ, อกมากออกจากนั้นพอกระดิกอั น, นี้มันจะเสียดแทงเข้าไปหายใจแรงก็ มือนกัเป็นเหลาทิ่มเข้าไปทิ้มเข้าไปเนี่ยเราก็มองเห็นได้เท่านั้นว่าเป็นเชื้อมาจากที่ไหนก็ไม่เห็นมันก็มีเท่านั้นแต่เวลาพิจารณาแล้วแก้ถอนกันมันก็ถอนเห็นชัดๆอย่งก็ไม่ทราบามันมีโรคระบะโรคมีเชื้อหรือไม่มีผมทราบไม่ได้ทราบได้แต่มันแก้กันได้โดยอวิอริยสัตย์ปัญญาพิจารณากองถู ก, กแยกแย ก, แยกกันกับร่างกายของเราออกให้เห็นอย่างชัดเจนดังที่เราเคยปฏิบัติมาใน สมัยที่นั่งหาหมูหามค้ามไม่ได้ผิดกันเลยแต่เรื่องสติปัญญาต้องขึ้นสดสดร้อนๆเราจะไปเอาเรื่องเกา่าเรื่องที่เคยเป็นมามาปฏิบตัติไม่ได้เป็นเรื่องปริเป็นเรื่องนิทานหรือเป็นเรื่องปริยัดหรือเป็นตำหรักตาลาไปเสียเป็นมันไม่ขึ้นสดสดร้อนแก้ไม่ได้นะเรื่องแก้ขี้เด็กแก้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างแก้ทุกเวทนาเนี่ยมันต้องสดสดร้อนๆ หากว่าจะเป็นอุบายของวิธีปัญญาที่เคยเป็นมาแล้วก็ให้เกิดขึ้นมาในชั่วสุดร้อนๆอย่าให้เกิดขึ้นมาด้วยการคาดกันหมายนี่วิธีการพิจารณาต้องเป็นอย่างนั้นมันต้งแก้ทั้สุดร้อนๆอยู่เราไม่บั่นเนี่ยพูดถึงเรื่องชัดในเรื่องอายะศัพท์ทุกเวทนานี้เป็นอย่างนั้นจริงๆกล้าพูดได้อย่างเต็มปากไม่สงสัยปีนั้นหลังจากเป็นเดือนเมษานะ่ะผมไม่ลื เดินเมสาไปอยู่ในป่าในเะขาที่ว่านพอหลังจากนั้นก็กลับมาสกนลนครอก็อขึ้นไปวัดดอยธรรมเจดีนั่นมันก็เป็นกล้าไปเดินหกแล้วนั่นมาถึงนี้เป็นเดินหกแล้วก็ไปอยู่วัดดอยธรรมเจดีนั่นลงจากวัดดอยก็เป็นเดินหกดับแล้วก็มาอยู่สุทวราชสองสามพื้นก็หนีไปอำเภอ วาที่จะภูมิคิดว่าจะไปจําบรรษาที่นีที่นั่นภูเขานั้นแต่ก็มาทราบเสียว่าบัดนน้องผือไม่มีพระเลยนี่ดวงตาสองสามงก็ไปเล่าังเกิดความเฉลิมฉลองเมียเพราะบ้านนี้มีคุณดอกพระสูงมากมาแต่กองลย้อนกลับมาจําบรรษาที่บ้านน้องผือนี่อ อ, อกบรรษาแล้วจึงได้ออกไปเที่ยวต่อไปจนกระทั่งถึงมี่สามสี่ปีนี้ถึงย้อนกลับไปเป็นเวลาสามกี่ปีตั้งแต่จากน้องผือไป นี่เราพูดถึงเรื่องการปฏิบัติและเวลานี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ล่วงไปล่วงไปที่เกาะที่ยึดต้องเราด้วยความตายใจเช่นอย่างหลวงปู่ฟัน่นอหลวงปู่พรมหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่คําดีครูอาจารย์เหล่านี้ล่วนแล้วแต่เป็นอาจารย์ที่ตายใจได้ทั้งนั้นตายใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เครูบาอาจารย์ที่บริสุทธิ์ดิมุตตุบท้นจริงทางจิตใจ ไม่สงสัยเพราะฉะนั้นการสอนใครก็ตามทางด้านจิดต่ภาวนาจริงไม่สงสัยท่านเหล่า น, นี้ไม่สงสัยในการสอนถูกต้องแม่นยำหมดเพราะเจ้าของเคยเป็นเคยผ่านมาแล้วการสอนก็ต้องสอนไปตามสิ่งที่เจ้าของรู้ของเหองเป็นมาแล้วจะผิดไปที่ตรงไหนไอแบบสอนจุนสี่จุนห้านั่สิเออเนี่ยที่ลําบากนะเนี่ยที่หาเกาะหายึดผู้เช่นนี้มันหาได้ยากลงโดยลําดับลา ด, ดาแล้วนะตัววันนี้ มันจะไม่มีแล้วดูอย่างนี้ผมก็ถ้าเกียรติการรับหมู่เพื่อนไม่มากผมก็ทนเอาแต่ถ้ามากเกินไปแล้วมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรสําหรับที่มาอยู่ด้วยกันมากๆอย่างนี้แม้รายเดียวก็จะไม่มีประโยชน์แหละเราจึงต้องได้พูดได้บอกในเรื่องหลังนี้ผู้ที่ศึกษาลวมพอสมควรแล้วแคลคายายกันออกไปเพื่อผู้อื่นจะได้ได้ฟังบ้าง ใครตั้งอกตั้งใจเวลามาอยู่อย่างนี้ยาไปเป็นแบบอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังด้วยความเจ็ดหลาบน้องผือนะนี่ได้เห็นประจักษ์ผมได้พูดเต็มปากต่อหมู่ต่อเพื่อนบางทีต้องประชุมรับกันก็มี mm. เพราะหมู่เพื่อนนั่นเองเนื่องจากพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านไม่เลยขันตีนิมนต์เราเลราไปเองถ้าไปแล้วมากเขามาเขากะทับถมท่านใครคนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งคนหนึ่งแสดงอย่างหนึ่งมันหนักกระทบกระเทือนกันอยู่นั่น ดั้นเราก็ต้องประชุมหนักแล้วก็ถึงกับได้พูดที่ว่าเนี่ยเพรามันเห็นด้วยต่อหน้าต่อตาว่านี่ที่มาอยู่กับครูบาอาจารย์อย่นี้มันเหมือนก็นมาซ่อนเล็นไว้น่ะว่ะแล้วออกอย่างนี้แล้วจะเล่นออกรวดลายเต็มเพลงนั่นแหละว่าใครมียังไงไงจะออกรวดลายนั่นนี่แล้วมันก็เห็นอย่างว่านั้นกี่องค์มาอยู่กับครูบาอาจารย์มากขนาดไหนผู้ที่จะปรากฏชื่อหรือนามพอเป็นหลักเป็นเจ็ดมันมีกี่องค์อยู่ที่บางังเรี้วไหลายไปหมดออกไปแล้วเหมือนไม่มีหูมีตา นี่นอกจากเอาชื่อเอาเสียงครูบาอาจารย์ไปจับจ่ายค้ายกินอวดดีบวดดีโม้หลอกหน้ารวมเข้าไปเท่านั้นจะมีอะไรนี่สิที่มันทําให้ทุเลศ์นะแล้วต้องทำทั้งหลายมานี้เอาให้จริงให้จริงนะอันไหนที่สอนไว้แล้วอันไหนที่พาดําเนินให้ถือเป็นว่าอันนั้นถูกต้องแล้วเป็นเครื่อนดําเนินเพื่อมาพุทิพัานได้โดยสมบูรณ์แล้วไม่ต้องสงสัเอายากก็ยาก สิงดที่สอนแล้วท่านพาดาเนินมาแล้ว อ, อ๋อยากก็ยากก็รู้อยู่แล้วว่ากิเลสมันเหนียวดึงมันก็ต้องยากขาดฆ่ามันก็ยากตายสิเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วแต่ยังไงก็ไม่พ้นจากอาจจากรรมที่จะต่อสู้กันนี่ทุกวันนี้ก็กำลังก็อ่อนลงอ่อนลงอ่อนจะว่ายังไงเตสนามว่าการไมไ่สะดวกต้องถือทาาขันเป็นประมาณเป็นประมาณแต่ระยะนี้ก็พอนั่นบ้างก็ ถูถ่ายไปบ้างก็เนื่องจากโรคหัวใจระยะนี้ค่อยสงบพอประมาณจึงได้พูดบ้าง เ, ยเรยวๆน้อยๆ น, นอกจากนั้นก็ยังมีตาอีกแหละโรคตาปีนี้มีแต่พยาบาลรักษาโรคตาเป็นประจำเลยไม่ได้เรื่องในเราอะไรใครมาอยู่ให้ตั้งใจคิดปฏิบัติมาแล้วลาะแหล่แหล่ลละนะ่ะยาให้ได้เห็นไอ้เรื่องหนึ่งเรื่อง ที่ยาบยากที่สุดคือเรื่องการทะเลาะเบาแรง้งการไม่ลงรอยกันอย่าให้เห็นเป็นหลักฐานนะอันนี้หยาบที่สุดกิเลสกิเลสประเภทนี้ยาบที่สุดอยา่ยาให้มาแสดงออกในวงของพระผู้ตั้งใจรู้ทปฏิบัติมันขายที่สุดเลยนะแ ส, สดงว่ากิเลสที่เก่งมากเหยียบย่ําทําลายทำต่อหน้าต่อตอาครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงอย่างไม่อายเลยแบบหน้าด้านที่สุดยขออย่าให้แสดงเรื่องนี้มีเหตุมีผลอะไรพูดกันให้รู้เรื่องรู้ราว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 เนี่ยถูกต้องให้ให้อภัยกันสมนณะเราไม่ให้อภัยกันไม่มีให้ใครให้ได้ในโลกนี้สมณะไม่สงสารกันไม่มีใครสงสารให้เกินสมณะไปได้ละเรายิ่งเป็นนักปฏิบัตินี่ด้วยแล้วก็ยิ่งมีธรรมควรจะมีธรรมเหล่านี้เป็นพื้นของจิตใจอยู่เสมออืมเอาละเกตเพียงตอนนี้พอทุ่งเสียงไม่ดังนักแต่ว่าค่อยพูดค่อยไปต้องการ น, <N un> นานเองเกี่ยวกับโลก ขัดหน้าอกมันเลยไปทําให้ยานั่นไปเรื่องมันไปเกี่ยวโยงก็เลยพูดถึงเรื่องความที่ว่ายังไม่อยากตายคือไม่อยากตายด้วยเหตุอื่นใดไม่อยากตายด้วยเหตุที่ว่าเรายังไม่ยังไม่จุกใจพูดง่ายๆยังไม่จุกใจในธรรมทั้งหลายส่วนที่มันเป็นอยู่น้องผือไม่เห็นมันห่วงอะไรนี่นะแปลกอยู่นะนี่ก็ไม่ลืมคิดว่าไทายยี่ห้าหนอาเทียนตสองหนที่ว่ามันจะไปนเราไม่เห็นมันห่วงอะไรเลยนะ มีแต่ว่าอาจะจะไปหีือจะเรือกเอาไปก็ไปนี่ยมันว่างเลยมันไม่ ห, หวงอะไรเห็นได้ชัดจริงๆนะโรคหัวใจนี่ก็มาเห็นชัดเอตอนเนี้ยตอนที่หมอเสงเข้ามาเอายาให้กินราคายาแพงสามแสนฟังดิแต่ยาเขาถูกโลกเราเพราะฉะนั้นจริงคุ้มค่ากัน ราคายากก็ถึงสามแสนนั่นเจริญเยอะนะที่นี่ออกแสนห้าแล้วก็เจี๊ยมนะ ก, ก, กายก็ออกแสนห้าแล้วก็มีอะไรหญิงอีกก็มันก็ออกอะไรสี่หมื่นไปเลยช่วยแพงก็ไม่ว่าเพราะมันถูกทําไมงั้นผมตายแล้วนั่นเพราะได้คิดเจ้าของแล้วชักจะแน่ใจไปเลยเพราะมันมีควาแม่จะมา โรคนี้ถ้าลงได้ขนาดนี้แล้วหากยาไม่ถูกกับยาแล้วยังไงก็ต้องไปในระยะนี้แน่ๆนะเพราะมันมันแสดงอาการอย่างรวดผุนมากทีเดียวนะโรคแท่งเนี่ยมันโลดผุนโรคหัวใจลําพังโรคหัวใจมันก็มันก็ขึ้นไปแค่เก้าสิแปดเก้าสิแปดเราก็เคยพูดให้หมอกลุ้นทางแล้วโรคหัวใจนี้ยังไม่เคยนี้มันแบบมันมันมันอะไรมันพูดไม่ถูกนะอืมมันชักชักชักมันชักไปเลย นี่ที่ว่าคนคนตายมันจับได้ชัดๆตรงที่ว่ามันชัดลมพุดออกหมดไม่มีเหลือเลยนะคนก็ตกใจดิแล้วจิตก็เลยออกไปพร้อมกันนะในขณะนั้นเราไม่เป็นอย่างนั้นของเราไม่เป็นอย่างนั้นสิลมออกหมดความรู้มไม่ออกเพราะเราไม่ได้เผอหนิไม่เหมือนอย่างโลกโลกเขาเราพูดตามความจริงเพราะเราไม่ได้เผอนลอ มันเป็นยังไง ก, ก็ดูคือดูความจริงทั้งนั้นตายก็ไม่กลัวไม่กล้าเนี่ยจึงไม่เพราะอย่างนั้นถึงเรียก ว, ว่าดูความดูความจริงกลัวอยู่กล้าอยู่อะไรมันไม่สมบูรณ์ไม่กลัวไม่กล้าดูความจริงมันเป็นยังไงแสดงลุงของเรื่องธาตุขันมันแสดงเลยอิจฉาไม่ได้เปน็นขันมันจะแตกกระจายกันออกจากความผสมจากส่วนผสมกันเพราม ลมพุ่งเข้ากัหมดแล้วความรู้มันยังบังคับนี้ว่าเนี่ยตรงที่ว่ามันมันต่อสู้กันมันบังคับกันไว้ไม่ให้ความรู้นี่ออกถ้าความรู้นี่ออกก็ไปเลยบังคับไว้ความรู้ก็อยู่นั่นนะฮะยังไม่เมื่อมันยังไม่ไม่มีกําลังเหนือเราพอที่จะบังคับกันได้ก็บังคับอความรู้บังบังคับความรู้ไว้ลมนั้นหายแล้วนะหายเงียบไปแล้วนะลมหายใจไม่มีเลย อั่นาบางทีแต่ความรู้นี่มันยังมีบังคับไว้ไม่นา น, นกักก็ที่นิโรมาใจค่อยๆมีค่อยแผ่เบาขึ้นมาเนี่ยที่มันหายไปหมดเลยนะแต่ความรู้มัไ ป, ไปนี่แหละความรู้เนี่ยเป็นพื้นฐานเอาไว้ที่จะให้เกิดมีโรมาใจขึ้นมามันก็มีขึ้นมาแต่มันมันเป็นอยู่เรื่อ ย, อยนี่ทีอนนี้เวลามันมันแก่กล้าขึ้นมาแล้วใครจะไปไปบังคับมันได้ละ่ะ ตั้งแต่พระพุทธเจ้าก็ไปรีผ่านว่าไงไอยลห้เล่าตัวโท่าหนูในวอวดอะไรเนี่ยตรงเหตุที่ทคิดว่านี่จะไปไม่รอดถ้ามันลงเป็นขนาดนี้แล้วหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วยังไงก็จะไปไม่รอดแต่บางคืนยังบางวันยังไม่งสงสัยตัวเองไม่แน่ใจจึงไม่กล้านอนเพราะเวลามันเป็นในลาหลับนั้นมันจะแก้กันไม่ทันเราจําได้ว่าสองคืนไม่ได้นอน แต่ไม่ใช่ติดกันนะกลางวันก็ไม่กล้านนอนก็มีอยู่สองวันเราจําได้จ้ะมันแรงขนาดนั้นเวลามันเป็นเต็มที่มันนั่นแหละที่ว่ามันเก้าจุดเก้าเปรเซนที่ว่าลมหายใจหายเงียบไปเหลือะแต่ความรู้สึกตัเยอะนี่ยมันค่ากันกับที่ถ่ายท้องอยู่ท้องผืนนั่นอันนี้เท่ากันโรก เงื่อนใจนี่มาถึงเก้าจากเก้าเปซ็นก็มาถึงในตอนนี้และแล้วยาเขามาก็ถูกือพอยาเราคีดดูที่เข้ามาแม่เราหนี้หน้าที่ลงซีดลงเราดูเอ๊ะทำไมเขาเป็นนี้พอเขาปล่อยมือเฉะนั้นแหละเขาบอกนี่ท่านอยู่ได้ไงเขาว่างมันฟังดูนี่เขาท่านอยู่ได้ไงแต่เขาธรรมดาโลกเขาต้องรักษากันตัวของโลกเปลีย่ยงนั้นเขากลัวเราเสียอ ก, กเสียใจ เขาไปโอ้ไม่เ <telef> ป <akte> <Car k ota> <studios>. ็นไรสำหรับท่านเป็นนักภาวนาถ้าเป็นคนอื่นตายไปนานแล้วเขาตอบวางันนะเพราะแม่แม่มันคงจะไม่มีอะไรแล้วหมดคุณต้องบอกว่านี่ท่านอยู่ได้ไงเขาวางันเห็นแล้วเขาก็แก้ปุ๊บกันทีอ๋ออยู่ได้สำหรับท่านเป็นนักภาวนาถ้านเป็นคนอื่นตายไปนานแล้วนี่กับที่ไปสิริราชข่าวนี้ข่าวที่แล้วเนี่ยคือไปตรวจนไปเช็คร่างกายนี่ก็เหมือนกันนะ ที่เขาเอาเครื่องจับ24ชั่วโมงเราเข้าใจมันทำงานเป็นยังไงมันล้มเหลว็นยังไงเครื่องนี้จะบอกจะบอกตลอดเวลาที่มันจับอยู่นั่นน่ะนี่ก็ได้23ชั่วโมง mm. เขาก็มาเอาเครื่องนี่ออก mm. เขาไป mm. ไปตรวจดูแล้ว mm. เขากลับมาบอกว่ามาเข้าใจว่าเราทํางานล้มล้มเหลวไปนั่นน่ะ mm. ได้760ครั้งฟังยัง อันนี้หมอเขาก็งงเหมือนกันนะนี่มันทำไมมัน ย, ยังเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปนี่มันยังไม่ถึงครึ่งนี่นะมันไปนานแล้วออก็ว่างั้นอันนี้ท่านอยู่ได้ไงก็ไม่ทราบนะเขาว่าเ <similarity của mình> ขาพูดเว่าอย่องทอดอะไรตายอยากนี่ท่านอยู่ได้ไงก็ไม่ทราบก็เห็นดีๆดยอยู่ธรรมดาอยู่วางนั้นเขาว่าแต่ดูเครื่องอันนี้มันพลึกเกินไปมไม่เคยมีเร้าว่างนั้นมนะเขาบอกเขาไม่เคยมีมันยังไม่ถึงครึ่งนี่มันก็ตายไปแล้วเขาว่า เนีมันก็อย่างนั้นแล้วอำนาจของธรรมสำคัญนะถ้ามันไม่สู่วิสัยจริงมันก็ไม่ไปอย่างไม่ง่ายหใดใดเหมือนทั่วๆไปนะอพระพุทธเจ้าสิประนิพันธ์ทรงทําหน้าที่ความเป็นสัจจาเรี้ยกว่าแสดงไว้ลวดลายของสัจจาอย่างเต็มภูมิในขณะที่เจริญนิพานพระองค์ทรงรรบัดวันที่ตรงไหนสตุขรท่ า, ทานอะไรฟังสิ พ้าวทุมชาญแล้วก็ทุติยชาญเนี่ยนั่นแ่ะทรงแสดงลวดลายของศรราปดาหในวาระสุดท้ายให้โลกได้เห็นโลกผู้มีความสามารถอย่างนั้นมีผู้ที่มีนิสัยนั้นนั้นยังมีให้ได้เห็นให้ได้รู้อย่างพระนุทาน่าก็ดูอยู่ตลอดเวลาท่านนั่งสมาธิเมื่อไหร่เวลาพระอุดีถามแค่นี่ท่านไม่ใช่ท่านกล้าเข้าไปถึง สัญญาเวทายตานิโรธดับสัญญาเวทนาอยู่เงียบสงบยิ่งเป็นเหมือนตายบ่างั้นเปนนะแล้วก็พระอุริสงสัยเอ้ยนี่ไม่ใช่ทา่านนิพพานนัเหลือพระรู้ยังตอบทันทีนี่นั่นฟังดีก็ท่านนั่งดูอยู่จำเป็นอะไรจะต้องไปเข้าฌานเข้าสมา บ, บัติดูความจานานตามนิสัยของท่านเต็มภูมิแล้วนีท่านบอกว่ายังนัะนตอนนี้ท่านประทับอยู่ที่สัญญาเวทายตานิโรธเนี่ยฟังดี นี่แนหะท่านแสดงรวดแรงท่านกลัวอะไรพระพุทธเจ้าฟังสิก้าวเข้าสมรชาญเรื่อยรูปประชานสี่นี้ก็หมดแล้วกับก้าเข้ารูปประชานสี่คืออาการสารนั่นใจจินนบิณยานิจารสัินญานปัญญาเนสัญญาณาสาัญญาปัแล้วก็ก้าเข้าสู่สัญญาเวททะยันยิรุณสมบัติพักนั้นช่วระยะนนั่นหละช่วระยะที่เงียบไม่ว่าท่านปฏิพันแล้วถามขึ้นมาอันนี้ก็ตอบ มีเวลาท่านถอยมาจากนั้นก็เสด็จลงเรื่อยๆเอยจนกระทั่งถึงไปถึงพระกิตบริสุทธิ์ธรรมดาไม่เข้าฌานได้เลยพระนุชาก็รู้ตลอดเวลาไปถึงฌานไหนฌานไหนพระนุชากรู้รู้ ร, ร, รตลอดเมื่อพระจิตถอยลงมาจนกระทั่งถึงปฐมฌานเลยปฐมฌานลงไปเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาพระนุชาก็รู้ พรลานี้ก็ก้าขึ้นมาจากปฐมฌานขึ้นไปพอพ้นจากอารูพ้นจากรูปฌานสี่คือจตุฌานพอพ้นไปแล้วทนี่ป ร, ริญญาผ่านแล้วหนั่นฟังซิเป็นยังไงพระจิตท่านสูญไหมฟังซิพระจิตขอ ง, พ, ง, มม พ, งพระเจ้าสูญไหมนี่พระจิตที่บริสุทธิ์นี่ยมันมีสิ่งพาดพิงมีสมุติพาดพิม์ก็พูดได้ว่าขณะนี้พระจิตที่บริสุทธิ์เนี่ย ก้าวเข้าสู่ปฐมฌานแลด้ดจุจียฌานตัิจียฌานเจตุตจฌานนี่ถ้าจิตที่บริสุทธิ์นี่นสูญใหม่ฟังดิออกจากนี้ก็ก้าวเข้าสู่อรูปฌานสี่คืออาการสารนิจจาจนะวิญญาณอย่างแตละอจินจัญญาณเนสัญญานะเนสัญญาณแล้วก้าวเข้าสู่สัญญาเวทไธยไตรลดดับสัญญาเลยเดเบสนาไม่ใช่อาการทั้งหมดในพระจิตนั้นเวลานั้นนี่แล้วประทับอยู่ในสัญญายเวทไธยไตรลดนั้นศูญใหม่ฟังดิ ถ้าศูนย์ควารู้าจะพูดได้งไงว่าเสด็จถึงนั่นถึงนั่นนั่นแล้วประทับอยู่ที่นั้นนั่นเนี่นพนนยพระจิตที่บริสุทธิ์ศูนย์ม่นั่นฟังสิพวกเราทีนี้เวลาออกจากสมมุติทั้งโดยประการทั้งปวงแล้วนี่ที่นี้ไม่มีอะไรพลาดผิดเนี่ยจึงบอกว่าปริพาน์แล้วเรียกว่าพ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวคือปล่อยสมมุติทั้งโประการทั้งวงในความรับผิดชอบปล่อยหมดแล้วส่วนอุปทานนักขันนั้นไม่ต้องพูดแล้ะตั้งแต่เวลาบริสุทธิ์นั่น ให้คนปล่อยมันแล้วต้องมวดแต่เวลารับผิบดชอบโดยสัญชาตญาณมีอยู่นี่ในขันพอออกจากนี้แล้วก็ปริญญาผ่านแล้วคราวนี้จะไปพูดยังไงได้ก็ เ, เหมือนเราบินที่ขึ้นบนท่ามกลางอากาศนั้นไม่มีอะไรพลาด จ, จริงจะไปด้ได้ว่าเร็วว่าช้าอะไรนั้นนอกจากเราเขามีเครื่องเขาวัดดูเฉยเป็นางา น, นอันนี้ก็ไม่มีอะไรพลาด จ, จริงหรอก พระพุทธเจ้าท่านทรงทําหน้าที่ความเป็นศสัสดาให้เต็มภูมิในเวลาสุดท้ายท่านจะทุกข์กท่านอะไรอยู่สิเพราะสิ่งเหนี้เป็นส ม, มุดทั้งมวลที่กล่าวมาเนี่ยเข้าปฐมฌ า, า, านรุจิฌานเหล่านี้มีแต่วิมุติทําหน้าที่ของส ม, มุดเท่านั้นเองวิมุตคือคือจิตที่ถ้าจิตที่ดูดพ้นแล้วนั้นทําหน้าที่แสดงลวดลายของศสัสดาให้เต็มภูมิสําหรับให้โลกทั้งหลายได้ยึดได้เห็น มนท่านไม่มีอะไรจสตกกุคตะพานก็จะสตกคานอะไรตอนนั้นเห็นที่ใจใลงให้ใจบริสุทธิ์แล้วดินก็ทราบเป็นดินอยู่แล้วร่างกายขงเรามันเป็นธาตุอะไรบ้างเนี่ยมันก็เป็นธาตุอ น, นั้นมาตั้งแต่วันเกิดดินก็เป็นดินนา้าเป็นน้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟมาตั้งแต่วันเกิดมันเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานที่ไหน อพอที่จะไปกลัวล่งกลัวตายกลัวนั้นกลัวนี้สลายไปก็ไปเ ป, ไปน็นท่าเดิมมือตัวเองนอกจากมันแยกจากความผสมกันลงสู่ท่าเดิมมืตอตนเท่านั้นมันก็มีต่างแต่แต่างจะกลัวอะไรยินแต่เรื่องของท่านเรื่องของเราไม่มีมทำไม ได้ยินแต่ข่าวของท่านข่าวของเราไม่มีจำเลยข่าวของท่านมีแต่ทรงอัดทรงทำทรงมักผลผ่านข่าวของเรามีแต่ทรงแต่ความขี้เกียจขี้คลานความต่อแท้อันใดแบบหามแต่ยิ่เด็บบันยังคุณืน ย, ยัลุง ม, มันยังไงกันเอาวิธีจินาบ้างสิแล้วเวลามีแขกมีคนมาน่ยพระเนนเราเป็นยังไงผมไม่อยู่แล้วก็วิโตวิจารณ์นเรองี้อย่าให้เห็นในะเรื่องแบบนี้นะ เพน่าดูน่าชมถ้าปฏิบัติย่อมไม่คุ้นไม่ชินกับใครนอกเหนือจากทําไปอยู่ที่ไหนก็ให้มีสติตังตลอดสามารถระวังรักษาตัวตลอดเวลาจึงเชื่อเป็นผู้รักษาธรรมปฏิบัติธรรมมีคนยิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นมากขึ้นเดิมแบบนั้นเฮงเที้ยวกันเหมือนกันตอนเช้านี่โอ้โ ห, โห แต่ทหารกว่าจะเสร็จสามสิบสี่สิบห้าสิบนาทีเขาชั่วโมงยังตักวางตักวางนะตักปิ่นโตละช้อนนะช้อนเท่านั้นนะฟังสิจับตักจับตักวางตัวา ง, วางขนาดนั้นไปทั้งสี่สิบห้าสิบนาทีมากไหมฟังดูบาดนเต็มอีกตักช้อนเดียวช้อนเดียวจ น, นเต็มบาดแล้วยังต้องมีชามมาใส่ วางข้างถึงสองชามชามเต็มเต็มมันยังไม่หมดวางถ้าจะรำคาญก็ได้รำคาญไเรื่องกินแค่แค่นี้ไต้องได้ทำมีกระเพาะยนะ อ, อย่างว่าใจคนนั่นเองว่างใจเป็นของมีคุณค่าเราก็ตะเกียวตะกายไม่ว่าเขาว่าเราต้องคิดเทียบหน้าเทียบหลัง เทียบท่านเทียบเราซะกันเฉลีย่ยแล้วก็พ่อถูพ่อตายกันไปอย่างที่พูดถึงเรื่องไปอาศัยอยู่กับครูาอาจารย์เหมือนกันนี่เราที่ถูไถายเนี่ยกับพ่อเราคิดอย่างนั้นเองน่นเงนาเนียนจริงได้มั่มากนี่ก็คิดไปใส่คิดเรื่องหัวใจของเราเวลาจอดแสดงหาครูหาอาจารย์เป็นยังไงเนี่ย พวกญาติโยมก็เหมือนกันเราเห็นเพียงผ้านเนียนเราไม่น่าดูน่าชมในกิริยาอันใด น, นี้เรายังไม่พอใจเรายังดุด่าว่ากล่าวเขาก็เหมือนกันที่ตาคนแต่แทหูคนหัวใจคนหน้าเขารบเดื่มใส่เขาก็เรื่มใส่ไม่หน้าเขาก็ไม่เดื่มใสแล้วก็คิดเหมือนกันเขาเข า, ขาเข้าคิม ก, ก, กันล่ามีแต่จิตพอทุ้ยทูไทยกันไปแต่จะให้ ร, รับแขกรับคนตลอดเวลานิน่เราก็ไม่ไหว เราจึงรับเป็นเวลาน่ะอ่าไปไหนด้ยวยนี่ออกไปไนแล้วอ่าเลกกันแนละ้ว